เกสภาคาบติปฏิกรรมวิธีว่าโดวยวิธีแก้ไขสภากาบัต์เรื่องสงทั้งหมดต้องสภากาบัตข้อหนึร้อยสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นสงทั้งหมดต้องสภาคาบัต์ภิกษุเหล่านั้นปรึกษากันดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้ว่าภิกษุไม่พึงแสดงสภาคาบัต์ ไม่พึงรับการแสดงสงภาคาบัดก็สงทั้งหมดนี้ต้องสงภาคาบัดแล้วพวกเราจะเป็ปฏิบัติอย่างไรหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่งในวันอุโบสถนั้นสงทั้งหมดต้องสงภาคาบัดภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปยังอาวาสใกล้เคียงกัน พอจะกลับมาทันในเวลานั้นด้วยสั่งว่าท่านท่านจงไปทำคืนอาบัตนั้นมาเถิดพวกเราจะทำคืนอาบัตในสานักของท่านถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสารด้วยยติกรมมวาจาว่ายติกรมมวาจาท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า สงทั้งหมดนี้ต้องสภาคาบัดแล้วเมื่อพบภิกษุรูปอื่นผู้บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติก็จะทําคืนอาบัตินั้นในสนงของภิกษุรูปนั้นดังนี้แล้วทำโอโบสดยกพระปาติโมกขึ้นแสดงแต่ต้องไม่ทำอันตรายต่อโอโบสดเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยสงทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัดภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ในอาวาสแห่งหนึ่ง ในวันอุโบสถนั้นส่งทั้งหมดไม่แน่ใจในสภาคาบัตภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงสาบด้วยยติกรัรมมะวาจาว่ายติกรัรมมะวาจาท่านผู้เจริญขอทรงจงฟังข้าพเจ้าส่งทั้งหมดนี้มีความไม่แน่ใจในสภาคาบัตเมื่อหมดความไม่แน่ใจก็จะทำคืนอับัตนั้นดังนี้แล้วทาอุโบสถยกพระปาติโมก ข, ขึ้นแสดง แต่ต้องไม่ทำอันตรายต่ออบสถเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้สงฆ์เข้าจำพรรษาในอาวาสแห่งหนึ่งต้องสภาคาบัดภิกษุเหล่านั้นพึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปยังอาวาสใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในเวลานั้นด้วยสั่งว่าท่านจงไปทำคืนอาบัดนั้นมาเถิดพวกเราจะทาคืนอาบัดนั้นในสานักของท่าน ถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้พึงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปชั่วเวลาเจ็ดวันด้วยสั่งว่าท่านท่านจงไปทำคืนอาบัตนั้นมาเถิดพวกเราจะทำคืนอาบัตนั้นในสานักของท่านเรื่องไม่รู้จักชื่และโคดอาบัตสมัยนั้นในอาวาสแห่งหนึ่งสงทั้งหมดต้องสภาคาบัตสงหมู่นั้นไม่รู้จักชื่และโคดของอาบัตนั้น ภิกษุรูปอื่นเป็นพระหูสูตรชํานาญปริยัตทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังไปการศึกษามาในอาวาสนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุพระโหสูตรนั้นเรียนถามว่าภิกษุรูปใดทําอย่างนี้และอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นต้องอบัตชื่ออะไรขอรับภิกษุพระโหสูตรตอบว่า ท่านภิกษุรูปใดทําอย่างนี้และอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นต้องอบัติชื่อนี้ท่านต้องอบัติชื่อนี้แล้วจงทํำคืนอบัตินั้นเสียภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าไม่ใช่แต่ผมรูปเดียวเท่านั้นที่ต้องอบัติชื่อนี้ขอรับทรงโมูนี้ทั้งหมดต้องอบัติชื่อนี้ภิกษุพู้หูสูตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านภิกษุรูปอื่นต้องอบัติก็ตามไม่ต้องอบัติก็ตามจะช่วยอะไรท่านได้ท่านจงออกจากอบัติของตนเอง ต่อมาภิกษุนั้นก็ได้ทําคืนอาบัตินั้นตามคําของภิกษุพระโมคคัลสถูปนั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นเรียนชี้แจงว่าท่านทั้งหลายทราบมาว่าภิกษุรูปใดทําอย่างนี้และอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นต้องอาบัติชื่อนี้ถ้าทั้งหลายต้องอาบัติชื่อนี้แล้วขอรับจงทําคืนอาบัตนั้นเสีย ภิกษุเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะทำเพื่อนอาบัตินั้นตามคําของภิกษุรูปนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ในวาดแห่งหนึ่งสงฆ์ทั้งหมดต้องสภา ค, คาบัตสงหมู่นั้นไม่รู้จักชื่อและโคดของอาบัตินั้นภิกษุอื่นเป็นผู้โหสุด ชำนาญในปริยัติทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติการเป็นบัณฑิตฉลาดมีปัญญามีความละอายมีความระมัดระวังใฝการศึกษามาในอาวาสนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาภิกษุพระโหสูตรนั้นเรียนถามว่าภิกษุรูปใดทำอย่างนี้และอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นต้องอบัตชื่ออะไรขอรับภิกษุพระโหสูตรกล่าวอย่างนี้ว่าท่าน ภิกษุรูปใดทําอย่างนี้และอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นต้องอบัตชื่อนี้ท่านต้องอบัตชื่อนี้แล้วจงทําคืนอบัตินั้นเสียภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่ามิใช่แต่ผมรูปเดียวเท่านั้นที่ต้องอบัตนี้ครับทรงโมงนี้ทั้งหมดต้องอบัตนี้ภิกษุเพวกอหูสูตรนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านภิกษุรูปอื่นต้องอบัตก็ตามไม่ต้องอบัติก็ตาม จะช่วยอะไรท่านได้ท่านจงออกจากอบัติของตนเถิดภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุรูปนั้นได้ทําคืนอบัตินั้นตามคําของภิกษุพรโหสูตรนั้นแล้วเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นเรียนชี้แจงว่าท่านทั้งหลายทราบมาว่าภิกษุรูปใดทําอย่างนี้และอย่างนี้ภิกษุรูปนั้นต้องอบัติชื่อนี้ท่านทั้งหลายต้องอบัติชื่อนี้แล้วขอรับจงทําคืนอบัตนั้นเสียภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่านั้นจะทํา คืนอาบัตนั้นตามคำของภิกษุรูปนั้นอย่างนี้นั่นเป็นการดีถ้าไม่ทำคืนภิกษุรูปนั้นไม่พึงว่ากล่าวภิกษุเหล่านั้นผู้ไม่ปรารถนาจะทำคืนโจธทนาวัตถุภานวานจบ